สักเเคเมจารูเปคิริสิขราตเตจันตาลิเควิมาเนหี่เปรัเทจะคาเมตารวนนคหาเนเคหาวทุมหิเขต อาชานตุกเทวาชาลทละวิสมยยักษขันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวรัวจนางสาทโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนาคาโลอยมพทานตตาธรรมะสวนกาโลอายามพธานตตาธรรมะสวนา p a m p m a t h a n ta. เวลาก็ร่วงเลยมาถึงตีห้าใกล้จะรุ่งแล้วฉะนั้นให้ทุกคนช่วยกันตื่นคำว่าตื่นคำเดียวผู้ปฏิบัติธรรมว่า จะต้องเข้าใจเพราะว่าตื่นก็คือตื่นจากหลับนี่ก็ตื่นขึ้นมาจากความหลับอันนั้นอย่างนีภาษาคนเราก็เรียกว่าตื่นคือตื่นจากหลับทีนี้ถ้าตามภาษาธรรมะคาว่าตื่น ตื่นจากอะไรกันแน่คาว่าหลับคืออะไรภาษาธรรมะแม้แต่เราเดินอยู่นั่งอยู่ลืมตาอยู่ถ้ายังมีโลภตโทสามโมหะก็เรียกว่ายังหลับอยู่คือหลับอยู่ใต้อำนาจของอวิชชา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 ก็ต้องเอาภาษาคนนี่แหละมาพูดภาษาธรรมะจริงๆเป็นภาษาสากลเป็นภาษาธรรมาชาติยานั่นคำวอนหลับคำวอนหลับไม่ใช่หลับตาแม้แต่ลืมตาก็หลับเดินอยู่ก็หลับทำอะไรอยู่ก็หลับความรู้สึก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 เห็นด้วยความระมือเห็นกับตาเนื้อไม่ได้เห็นด้วยปัญญาเราะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้จะตรรู้บนตึกในห้องเอ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 เป็นเวลาที่มีประโยชน์มากสำหรับที่จะทำให้เราตื่นขึ้นมาเะนั้นตื่นเถิดเราทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทต้องช่วยกันตื่นเถิดถ้าตื่นนั้นแหละคือมีพุทธโธอยู่ข้างหน่เพราะคำว่าพุทธโธแปลว่ารู้ตื่น มองเห็นความจริงมีความเบิกบานแจ่มใสสงบเย็นนั่นคือผู้ที่ตืน่นและนั่นพุทธบริษัทก็คือบริษัทที่ตืน่นตอนที่อาตมามีอายุสิบหกสิบเจ็ดปีตอนนั้นเป็นสามเณรอยู่ที่วัดโกหาสวรรค์ กุฏิอยู่ใต้ต้นมะขามทางทิศเหนือของอุโบสถตอนนี้ต้นมะขามนั้นก็ยังอยู่ใม้มีพระอยู่รูปหนึ่งท่านห่มจีวรแกน่ขนุนเป็นพระสูงอายุท่านก็อยู่ที่ท้ำนางคลอด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 ต้องเดินเก้าไปมีใครเป็นเพื่อนคงมีพุทธโธนั่นแหละเป็นเพื่อนเพราะไอ้ก้างขวามือมีต้นมะขามมีต้นละมุดมีต้นอะไรเต็มไปหมดที่สำคัญคือเป็นที่ผองศพทางซ้ายมือก็เป็นศาลาสำหรับที่พระ นั่งสวดนแ้่ก็เป็นภูเขาไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงแง่ก็ไม่มีกุฏิพระนอกจากสองหลังนั้นสองหลังนั้นก็ไม่มีพระก้าไปอยู่เขาก็อยู่กุฏิที่สบายสบายแต่อาตามาเองจะต้องอดทนเพราะไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปอยู่ที่นั้น ที่นี้ที่บอกว่ามีพระรูปหนึ่งชื่ว่าพ่อท่านคล้ายใกล้ๆก็ก็ว่าพ่อท่านคล้ายเป็นพระบ้าก็ดูแล้วก็มีขึ้นมาบางครั้งในปีนั้นก่อนที่จะก้าวพันษา คือท่านคงจับบ้าในการปฏิบัติแล้วก็ไม่มีที่ปรึกษาท่านก็หอมจีวรผ้าสังกัติเรียบร้อยแล้วก็มีอาสนะเป็นผ้าหลายลูกแก้วทีนี้ตอนเย็นท่านก็ถือบาทใบบินกะบาดในตลาด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 คือเจ้ากับว่าขึ้นไปจําพรรษาจันดาวดึงของท่านท่านก็เพี้ยนไปบางครั้งแล้วก็ลงมาพอถึงเวลาพระท่านทาพิธีข้าพรรษาต้องมีกิจกรรมคือการเทศก่อนตอนนั้นศาลาลงธรรมยังเป็นศาลาไม้อยู่ กอเทสจบก็มีการเวียนเทียนชาวบ้านก็เวียนเทียนพระก็สวดดีๆพิโสท่านก็เลยเวียนเทียนด้วยแต่ว่าเวียนอยู่บนศาลาลงทําไม้นั่นแหละมันก็จะพังแหล่ไม่พังแหล่มันก็ยวกยั่วทีนี้เมื่อเวลาเวียนเทียนเขาก็ตีทั้งกรองตีทั้งระฆังท่านก็เวียนเทียน นำหน้าชาวบ้านก็ก่อนแลก็ตอนที่แก็รัวระังรัวกรองท่านก็เดินไม่เดินธรรมดาเลยทีนี้เดินปักเดียวเลยท่านก็เดินเรึ่งเดินเรึ่งวิ่งทีนี้นี่คือการแสดงอาการของท่านก็กนเลยว่าพอท่านคลายบ้า เต็นมีมีอยู่ ต, ตอนเช้ามืดของวันหนึ่งท่านคงจะคล้มขึ้นมาผมจีวรปาสสังกตีเรียบร้อยก็ม า, มาที่ใกล้ๆที่กดตีที่อาจจะมาอยู่ท่านก็ตะโกนทีนี้ตะโกนว่ายังไงกุกกุบโธ่กุบกุบโธกุกกุบโธ ลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดกุกุโฑนะแลว่าไก่ลุกขึ้นเถิดตัวให้ช่วยกันลุกขึ้นในตอนรุ่งว่าจันพระกลุ้งเวทมัวนอนเวทไปเวทมาอยู่นั้นเมื่อไรจะตื่นขึ้นสติตื่นเถิดตื่นเถิดตื่นเถิดให้ก็ไปที่ กดดีเจ้าคุณพิสารทำอรังสีท่านก็ไปตะโกนว่าตื่นเธอตื่นเธอตื่นเธอนี่ตื่นฉะนั้นท่านคงจะเข้าใจคําว่าตื่นก็เลยเจ้าปลุกคนนั้นคนนี้ให้ก็ตื่นเพราะนั้นเห็นแจดงท่านแสดงอาการอย่างนั้น อาจจะมีเป็นปริศนาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะท่านปฏิบัติโยงเดียวในวัดบัวสวรรค์นอกนั้นก็เรียนบาดีสอนบาดีสอนนักธรรมกันไม่ฝักไฝ่ในเรื่องอื่นแต่ท่านเองนัฝักใฝ่ในการปฏิบัติคงจะไม่มีพูดสนทนาหรืออะไร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 คือ ท, ทำจิตนี้เดียให้ตื่นให้อยู่เหนือประสาททั้งหลายเพราะประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกลิ้นกายเป็นประสาทที่รับรู้ภายนอกรับรู้แล้วมันรู้ไม่จริงรู้รูปก็ไม่จริงรู้เสียงรู้กลิ่นรสสัมผัสธรรมารมก็รู้ไม่จริง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 จิตนี้เป็นตัวกูที่ท่านอาจารย์พุดแท่านท่านพูดว่าตัวกูตัวกูนั่นแหละไอ้คําว่าตัวกูไม่ได้หมายเอาร่างกายอย่างเดียวไอ้ที่ตัวจริงหมายเอาจิตคือจิตนั่นแหละที่ถูกอวิชชาก็ไปครอบเงาเนี่ยมันก็ข้าไปจิตถือว่าจิตนี้เป็นกูจิตนี้เป็นตัวกู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 ในสังขารที่เป็นวจีสังขารว่ากูพูดคาพูดนี่เป็นของกูนี่เรียกว่าวาจีสังขารคือถูกปรุงแต่งแล้วก็จิตสังขารจิตสังขารก็มีหน้าที่ในการคิดจิตนี่มันมีหน้าที่ในการต่อมีหน้าที่ในการคิด มันก็ว่ากูคิดกูคิดแต่ที่คิดขึ้นมาเนี่กูคิดฉะนั้นมันก็เลยเป็นสังขารขึ้นมาเป็นกายสังขารการกระทำํำกายสังขารที่เป็นร่างกายก็อย่างหนึง่งเป็นการกระทําก็อย่างหนึง่งก็รวมเป็นกายสังขารทำนันน้นกายสังขาร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 พระพุทธเจ้าปราบโจนองค์ลีมานซึ่งเมื่อวานก็ไม่สามารถที่จะพูดให้ตลอดได้องค์ลีมานก็ยังหลับไหลยอยู่คือเมื่อเป็นนายิงสากากุมานก็เป็นเด็กที่อยู่ในโอวาสีระเบียบเรียบร้อย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 ร้อยเป็นพวงมาเลยจนกระทั่งว่าได้เก้าสิบก้านิ้วต่อนิ้วจุดท้ายเราก็รู้กันดีในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะออกไปบินตบาทก็ส่องดูด้วยยานของพระองค์คือ เ, เหมือนกับกระจกอย่างนั้นยานนี่เป็นเหมือนกับกระจกอย่างนั้น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 พระองค์ก็ทรงแสดงอภินิหารคือด้วยการที่ทำให้องคุริมานนั้นตื่นขึ้นมานี่ก็สำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้เมื่อองคุริมานวิ่งไล่แต่พระองค์ก็เดินเฉยๆองคุริมานก็นวิ่งตามไม่ทันคือถ้าพระองค์ไม่ไปขัดขวางในตอนนั้น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 ยังมีอุปนิสัยที่จะเป็นพระอรหันต์ได้เพราะยังไม่ได้ข้าแม่ดังนั้นพระพุทธองค์จึงจะต้องไปโปรดคนสําคัญในวันนี้ก็เลยไปโปรดองค์ปริมาณแล้องค์ตรัดเพียงคําที่สําคัญคือคําเดียวว่าหยุดคํานี้องค์ปริมาณเขว่าเออ ทำไมท่านบอกว่าเราหยุดท่านก็ยังวิ่งอยู่พระ อ, องค์ก็ตรัสว่าองคุลิมานเราในหยุดแล้วแต่ท่านที่ยังไม่หยุดความถูกไหมองคุลิมานความถูกหยุดทีนี้สอนพวกเด็กๆอมมือนะเน่ยจะได้หยุดฆ่าสัตว์ตัดชีวิต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 มันก็ออกมาเป็นคำพูดมันก็เกิดเกิดดับๆันี่คือวจีสังขารมันก็เกิดเกิดดับๆจบกิจสังขารที่พูดแล้วยมันก็เกิดเกิดดับๆการกระทําการกระทําทางกายมันก็เกิดเกิดดับๆับไอ้กายนี้มันก็เกิดเกิดดับๆมันไม่ได้หยุดอยู่นิ่งๆิ่งไอ้ที่เรานั่งอยู่นิ่งๆิ่ง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 เราเรียกว่าแทรกอนิจจารหรือบางทีก็เรียกว่าไปกรงสุภากรรมฐานแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรกับใครเท่าไหร่มแม่แต่กับพระเองนี่เราะว่าอานิจจาว่าตสังขารเมื่อก่อนเนีย่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนนี่พระจะต้องลงไปที่หิบศก พอสวดเสร็จก็ไปที่หิบศพเขาก็จะเปิดขวานลงศพพระก็ไปเกาะลงศพแล้วก็ไปชักอนิจจาวะตาสังขาราอุปาัฏวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุษชันติเตสังหุปสโมจุโขพอมาสมัยนี้ก็เปลี่ยนอ น, นามัยจัดก็ทำให้พระ ไม่ต้องไปแจ้ง า, านิจจาที่ปากโลงก็เลยเอาสายสิญภูเขากับหีบพศพแล้วก็ดึงมาที่พระที่ท่านนั่งอยู่นั่นแหละแล้วก็มือไปจับสายสิญานิจจาวาตสังคาราก็ทำอย่างนั้นกันบ่อยๆพระ ก็ไม่ตื่นโยมก็ไม่ตื่นก็เลยหลับ ก, กันไปหมดเช่นว่าประโยคสุดท้ายว่าเตสังโวปะสมุสกโ ข, ขการเข้าไปสงบระ ง, งับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขการเข้าไปสงบระ ง, งับก็หมายถึงว่าจิตที่ตื่น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 เตเตสังบูปะสะโมโสดโ ข, ขน่เห็นตามความเป็นจริงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงท่านก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจิตตัวนั้นทำให้จิตตัวนั้นตื่นแล้วก็ไม่เข้าไปยึดถือในตัวจิตเองแล้วก็ไม่เข้าไปยึดถือในสังขารทั้งสามอย่าง ก็เลยเตสังปสมสุโขจิตเกิดความสงบเย็นมีความสงบเย็นอยู่กับความสงบเย็นนี่คือจิตตัวนั้นเฉะนั้นองคุลิมานโจรพอพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราหยุดแล้วท่านสิยังไม่หยุดองคุลิมานฟังตัว ความตัวก็หยุดทันทีหยุดจิตที่เป็นตัวผูของผูปล่อยจิตนั้นให้เป็นธรรมชาติไปเมื่อจิตเป็นธรรมชาติไอสังขารต่างๆมันก็เป็นธรรมชาติแทนไหมมันเป็นธรรมชาติมันก็เป็นไปตามธรรมชาติ่ถ้าว่าไปตามหลักของปัญจจรุคบานอาวิชชาคือจิตงโง่จิตงโง่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 ตัวความรู้สึกตัวนั้นก็กู้รู้สึกเนี่ยมันก็เป็นกู้ไปหมดเมื่อกูรู้สึกขึ้นมาเรื่อความรู้สึกนั้นเป็นกู้วิญญาณก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดนามารูปนามารูปก็คือกายกระใจก็แบ่งหยาบยาบแบ่งหยาบหยาคือกายกระใจเมื่อความรู้สึกว่าเป็นกู้ไอ้กายกระใจนั้นก็เป็น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 วิญญาณเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามารูปคือกายกระ จ, จนามารูปเป็นปัจจัยทําให้เกิดอายะตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ข้าไปยึดถือในอายะตนะอีกถ้าไปยึดถือว่านี่คือตากูกูกูจมูกลิ้นกายใจเป็นกูไปหมดเดีย๋ยมันเป็นกูไปหมดนี่คือหลับ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 ไม่รั้วาตาก็เกิดเกิดดับๆมันไม่รู้อนนี้เสร็จแล้วไอ้วิญญาณเรียกว่าจักปูวิญญาณมันก็เกิดมาประสมรวมกันอีกพอเกิดมาผสมรวงเข้าพอตาทําหน้าที่ไอ้วิญญาณนั้นก็เข้ามาผสมก็ทําทให้เกิดการกระทบเราเรียกว่าปัจจาการกระทบก็เรียกว่าปัจจั กระทบทางตาเรียกว่าปัจศาทางตาแต่มันก็กระทบทั้งหกทางนั่นแหละทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่อย่าลืมว่าทุกตัวมันถูกสะกดด้วยอวิชชามันถูกสะกดด้วยอวิชชาทั้งนั้นนี่พอเป็นปัจจาขึ้นมาคือเมื่อมันกระทบขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือผลเรียกว่าเวทนา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 เนท่านไปอยู่ในสำนักของอาจารย์ใหญ่จนกระทั่งว่าก็ถึงเวลาที่จะเลือกพระสังนายกขึ้นมาเนี่ท่านก็มีพยานหลักฐานคือจะต้องมอบบาทมอบจีวร น, นั้นให้ผู้ที่จะเป็นพระสังกายกองค์ที่หกก็บอกว่าประกาศป่าวร้องว่านี่ ิทั้งหมดซึ่งมีพันคนใครมีความสามารถก็ให้มาสแสดงออกแล้วเราก็จะมอบบาทมอบจีวร น, นี้ให้ก็มีไม่มีใครที่จะเกินเลยหัวหน้าสิทธิ์ไปได้ใครๆก็ไม่กล้าดังนั้นแค่หัวหน้าสิทธิ์ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ ทำยังไงทีนี่จะข้าไปหาพระสังกยนายกองที่ห้าก็ไม่กล้าเดินข้าไปก็ร้อนร้อนหนาวหนาไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ต้องกลับทำยังไงสองข้างทางเดินเป็นขวาผานังก็เลยเอาตึเขียนไว้ตรงนี้ดีกว่าก็เลยเขียนความรู้สึกเอาไว้ว่าร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพ ใใจิตไปจิตใจนี่เปรียบเหมือนกระจกเงเราต้องเช็ดให้มันสะอาดจะอดเวลาแค่นะั้นเมื่อระเสสังกนายกองค์ที่หา้าท่านมาเห็นว่าเออนี่ใครเขียนเนี่ยเออสียได้ความว่าหัวหน้าสิทธิ์เขียนก็ประกาศเปล่าร้องว่าให้สิทธิ์ในสำนักทั้งหมด มาจดแล้วก็ออกไปท่องเพื่อเป็นีิริมงคลจะได้ไม่ตกนรกแค่นั้นเองก็เลยท่องกันขล่มไปหมดทั้งสำนักทีนี้พระสังกานายกองที่หกซึ่งยังไม่ได้เป็นยังเป็นสิบโง่อยู่ก็ อ, อยู่ที่ลงกระเดื่องมีหน้าที่ในการปาาฟื้นมีหน้าที่ในการที่จะตําข้าวสาร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 อ่านในฉันฟังน่อยดิเพราะว่าพระสังกนายกองค์ที่หกที่ที่ชื่อว่าสิบโง่ไปรเรียนเซนท่านไม่รู้หนังสือหรอกนั้นญาติ ย, ยอมที่ไม่รู้หนังสื อ, อไม่ต้องไปเสียใจแม้แต่ว่าสิบโง่ไปรเรียนเซนก็ยังไม่รู้หนังสือท่านก็ยังเป็นได้ถึงพระสังกนายกองค์ที่หและท่านก็เป็นพระอราหันต์ได้เหมือนกันนี่บอ จดตเตียมไปช่วยอ่านให้ฟังสิทธิ์คนนั้นก็อ่านให้ท่านฟังเห็นว่าร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิตเปรียบเหมือนกระจกองเราต้องเช็ดให้มันสะอาดทุกเวลากี่ปุ่นจึงจะลงจับไม่ได้ท่านก็ท่านก็ปฏิบัติมานานแล้ว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 สถานที่ดับจิตแต่ตามที่จริงสถานที่ดับจิตนี่มันที่ตรงนี้เลยที่เนื้อที่ทั่วที่ร่างกายนันนี่และที่ดับจิตแล้วก็ดับเข้าไปข้างน้อยหือให้อวิชามันดับเมื่ออวิชามันดับก็เหลือแต่จิตล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าไปครอบงําเหลือแต่จิตล้วนๆทีนี้กิเลสมันก็ดับไอตัวกูดับ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 เรียกว่าดับพอจิตนี่มันหยุดจิตนี่มันดับเป็นยังไงทีเนี้พอดับแล้วก็เห็นความว่างเลยทุกอย่างมันมีแต่เกิดดับตัวเรานี่ก็เกิดดับจิตก็เกิดดับดูภายนอกไปดูดิดูดต้นไม้ดูภูเขาดูที่สิ่งที่ตามองไปเห็นนมันเป็นเพื่อนเราทั้งนั้นเลยคือเป็นเพื่อนจิต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 แล้วให้ตื่นอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่ว่าลืมตาอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ดื่มอยู่กินอยู่เคี้ยวอยู่กลืนอยู่ท่ายอยู่อาบอยู่ทําอะไรอยู่ให้จิตมันตื่นตื่นว่าไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้จิตนี้ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ว่างว่างว่างวงว่างจากอะไรว่างจากกู้ เมื่อ ว, ว่างจากกูไอโรภโทสาโมหานั่นแหละคือกูอวิชานั่นแหละคือกูไอนี้มันว่างจากกูให้ตื่นอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาให้ตื่นอยู่อย่างนั้นนี่คืออยู่แบบพุทโธอยู่แบบเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาเราฉะนั้นพระราหารัสนั่นก็ตื่น พระรหันต์ท่านตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาตื่นอยู่จนกระทั่งว่าจิตนี้ร่างกายนี้มันหมดสภาพเรียกว่าดับก็ไม่ใช่เพราะท่านปล่อยวางหมดแล้วจน ร, ร่างกายนี้มันหมดสภาพแล้วมันก็แตกสลายก็แตกสลายไปทีนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ดับเมื่อดับแล้ว คือเจ้าควายใจสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเจ้าควาชใยสิทธัตถะไอ้จิตตัวนั้นมันก็ดับไปพอจิตตัวนั้นดับไปมันก็เกิดพรุงขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทันทีคือจิตที่ตื่นน่ะจิตที่ตื่นนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้รู้ขึ้นมาเป็นผู้มีปัญญาขึ้นมากิเลสทั้งหลายอวิชชาที่เป็นหัวหน้าของกิเลสทั้งหลาย มันก็ดับหมดทีนี้การวัดที่พูดว่า ด, ดับไม่ใช่ตายถ้าดับตายพระพุทธเจ้าก็ตายไปแล้วจริงที่ตายต้นโพนั่นะแต่ว่าไม่ได้ตายเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคือจิตนั่นแหละเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาทีนี้เมื่อร่างกายของพระองค์ได้สลายไปแต่จิตตัวนั้นที่พระองค์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 เดี๋ยวก็ไปปฏิบัติจนกระทั่งว่าจิตนั้นมันตื่นอยู่ตลอดเวลาให้มันตื่นอยู่ตลอดเวลาตื่นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราว่างว่างว่างว่าว่างจากเรานั่นเองคือว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นให้ประสาทต่างๆก็ทํางานไปให้ อ, อย่างนี้เรียกว่าอร่อยอย่างนี้ไม่อร่อยอย่างนี้พอใจอย่างนี้ไม่พอใจก็เห็นเท่าน้ความพอใจก็เกิดดับ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 ตัวความรู้สึกที่มันเกิดดับเหล่านั้นทีนี้จิตที่ตื่นมันอยู่เหนืออยู่เหนือสังขารเัล่านั้นก็เลยไม่เอาไม่เอามันก็อยู่กับความว่างเห็นว่าทีเฉ่นนั้นเองเฉ่นนั้นเองเฉ่นนั้นเองรูปเกิดทางตามันก็เฉ่นนั้นเองยังเกิดทางหูพอใจไม่พอใจมันก็แค่นั้นเองมันเห็นแค่นั้นเองทุกอย่างมันก็เห็นว่ามันแค่นั้นเองมันแค่นั้นเอง ไม่ขาไปเอาอะไรทีใ่ให้อยู่ด้วยความเป็นผู้ตื่นอยู่ด้วยการเป็นพุทธบริษัทเต็มร้อยกันเถอะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเอาอะไรไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องไปอะไรมันกับร่างกายก็ดูแลมันทำความเหมาะสมกับจิตก็ดูแลมันอย่าให้ล้าไปยึดมั่นถือมันอย่าให้มันมีตัวกูขึ้นมาเรื่องมันก็มีเท่านี้แต่ทำไมพุทธบริษัทเราไม่ได้ ก็บอกเราไม่จริงถ้าเราศึกษาไม่จริงเราปฏิบัติไม่จริงมันก็เลยได้รับผลที่ไม่จริงนั้นอย่าโยมทั้งหลายให้เอาไปคิดเอาไปนึกเอาไปปฏิบัติกันเถิแที่ก็ให้มันจริงถ้ามันจริงขึ้นมามันก็ได้รับผลจริงคือความสงบเย็นฉะนั้นขอให้ทุกคนเป็นปฏิบัติจริงได้รับผลจริงแล้วก็ได้รับความสงบเย็นจริงๆแล้วก็อยู่กับความสงบ เย็นตัวนั้นเวลาของการบรรยายนอเอ็นว่าพอสมควรแล้วขอยุติกันบรรยายเอาไว้แต่เพียงเท่านี้